ตอนนี้ไปก็จะคุยเรื่องพกรรมาฐานตอนนี้วันที่สิบหกกันยายนใฮโดรโมงสูไปแล้วสองพันห้าร้อยสามิบสี่วันวานนี้พูดถึงเรื่องขนกาศสมาธินันแปลว่าสมาธิเล็กน้อยอันนี้เป็นพื้นฐานกรรมาฐานที่วดาทุกคนจะต้องรู้นะฟังแล้วก็จำไม่ด้วย ถ้าจำไม่ได้ก็มาซื้อเทปไปเขาขายเทปเลถ้าจำไม่ได้ก็ขอฟังเทปเมื่อวานนี้คณิกาสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้นวันนี้ก็เป็นอุปจารสมาธิสมาธิขั้นต่อไป <c oughs> คําว่าอุปจารสมาธิแปลว่าสมาธิเฉียดชานยังไม่ถึงปฐมฌาน เราใกล้ถ th ึงว่าธรรมชาตเต็มทีท่านี้ก็การเรื่องสมาธิอุปจาระสมาธิถ้าเรื่องว่าถ้าเรียกถึงสมาธิอย่างหนึ่งเขาเรียกปีติาวานนี้เข้าถึงคณนธิการสมาธิขันธิอุปจาระสมาธิอุปจาระเป็นสมาธิที่มีปีติกับสุขเป็นพื้นฐานในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน เริ่มเจริญกรรมฐานแต่ว่าเวลาเจริญกรรมฐานให้ขอทุกคนตั้งใจตามนี้นะว่าจงอย่าตั้งใจคิดว่าเวลานี้จะต้องการสมาธิขันนั้นคันนี้หรือว่าต้องการฌานสมาบัติถ้าจิตคิดอย่างนี้ไว้ก่อนจิตจะไม่มีการทรงตัวเพราะว่าจะมีรมพงซ่านให้พอใจในฝลการปฏิบัติ ถ้าขนาดที่เราปฏิบัติอยู่นี่มีผลขนาดไหนดีขนาดไหนแล้วพอใจขนาดนั้นแต่ก่อนที่บรรดาเดินพุทบริษัททุกคนอย่าวนาให้ใช้พิจารณาเสียก่อนถ้ากําลังพิจารณาอย่างอ่อนก็ช่อว่าพิจารณาใจรักอนิจังทุกขงาาังลาจาเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนสัตว์ทุกประเภทและวัตถุธามมตุทั้งหมดแปลนิจังเป็นของไม่เที่ยง มันมีความความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงในด้านกลางถ้าเราคิดว่าบันเทยงมันเกิดไปเที่ยงขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ถ้าในที่สุดแวลนาตาคือสลายตัวช่นร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันและเมื่อมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมเสื่อมไปทุกวันที่คนก็สลายตัวเป็นความซคือเรื่อวความตายจะมีเข้ามาถึงในขั้นสุดท้าย ได้ทึดไม่กดธรรมดาได้คิดดังเกตดการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเนวทวดาด้พร้มว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มด้วยความทุกข์เป็นมีความแน่นอนเกิดมาไม่ช้าไม่นานมันก็ตายขณะที่ทรงชีวอยู่ก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะเกิดจะนิพพิชชาติมันก็ทุกแบบนี้ทุกชาติการเกิดที่ไม่มีทุกมีที่เดียวคือนิพพาน ตั้งใจไว้เฉพาะคณิพานเอาย่อๆหลังจากนั้นกระจับลมให้ใจเขาออกภาวนาตามชอบใจจะภาวนาว่าพุโทโธก็ได้นมามะปะทะก็ได้สัมมาหลังก็ได้อิมติสุกโตก็ได้ตามใจชอบควบคู่กระลมให้ใจเขาออกทได้สมาธิของเราแับแรกวันนี้พูดตั้งคณนขาด ส, ส, ส, สมาธิสมาธิเบื้องต้น เป็นสมาธิเด็กน้อยเราต้องพยายามทําสมาธิเด็กน้อยให้มีสมาธิทรงตัวขึ้นถ้าใหม่ๆที่แรกเราไม่สามารถจะคุมได้นานก็ใช้วิธีนับนับหนึ่งถึงสิบห้ใจเข้าให้ใจออกห ร, รือภาวนาลว่าให้ใจเข้าพุทธเจะออกโทะนี่เป็นตน้นให้ใจเข้านม า, ออ า, ามอเจ้าปะทะนี่เป็นตน้น หนึ่งคู่ในเป็นหนึ่งเข้าออกอีกข้างหนึ่งเป็นสองใจเข้าออกอีกข้างหนึ่งเป็นสามใช้ขยับที่มือก็ได้ให้ถึงสิบตั้งใจว่าตั้งแต่นหนึ่งถึงสิบถ้าเราจะไม่ยอ่อเราจะไม่ย่อให้อะไรสิ่งอื่นเข้ามาแทรกจิกถ้ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกซสก่อนเราจะตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ให้มัเข็ดให้สามารถทรงตัวให้ได้ อย่างนี้ไม่ช้าไม่กี่วังนก็สามารถทรงตัวได้ทั้งสิบถ้าได้ทั้งสิบในการคล่องตัวยังสบายแต่อยู่ก็ต่อไปอีกต่อให้ถึงยี่สิบถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนไม่ช้าลงก็จะเข้าถึงอุปจาระสมาธิขณะที่จิตทรงตัวมากใช้เวลามากขึ้นจิตมีความสบายมากขึ้นปีติคือความอิ่มใจก็เกิดขึ้น คำว่าปีติแปลวความอินใจมีลักษณะห้าอย่าง <c oughs> ขณะที่ปีติเกิดขึ้นมีอาการห้าอย่างอาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็นตามขพราดาดท่านพุทบริษัททุกคนอย่าสนใจปล่อย <c oughs> ไปตามสภาวะของมันอาการที่หนึ่งก็คือหนึ่งขนพองสยองกล่าวสองน้ำตาไหล สามร่างกายโยกโครงสี่เต้นหรือตัวลอยของมอญกาศห้ามีอการซาบสานแต่ว่าการทั้งห้าอย่างนี้จะไม่เป็นกับคนทุกคนบางคนก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือสองสามอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่มาจากเอมาจากประการวาสนาพุทธภูมิจะผ่านทั้งห้าอย่าง อันดับแรกขนทองสยองตา้งหรือว่าในเริ่มเมื่อเริ่มทำสมาธิขึ้นขนจะลุกชันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเรามีความกลัวะอะไรสักอย่างหนึ่งมมนเกิดขึ้นขนตั้งขนลุกชันอาการอย่างนี้เกิดขึถือว่านั่นแปลว่ า, าเขาปีติคือสมาธิสูง้นแล้วขอทุกคนจงปล่อยอย่าห้ามอย่าขัดขวางปล่อยมันขนจะลุกขนจะตั้งเรช่างมัน ต่เมื่อสมาธิมันทรงตัวมากขึ้นต่อไปเวลาที่ใครเขาชูพูดว่าอะไรมาก็ตามชอบใจเกิดขึ้นมีความชอบใจเกิดขึ้นอย่างนี้ขนยลุกชันอย่างนี้แสดงว่าสมาธิท่งตัวมากแต่ต่อไปในเมื่อสมาธิสูงขึ้นกว่า น, นั้นอาการขนลุกชันก็จะหายไปจะมีสภาพเหมอนการปกติแต่ว่าความอินใจยังปรากฏอยู่ อาการที่สองน้ําตาไหลในเมื่อสภาพกระปีติดเกิดขึ้นจะมีน้ําตาไหลแต่ไม่ใช่ร้องไห้น้ําตามันจะไหลแต่อาการน้ําตาไหล้ทุกคนอย่บาบังคับไม่อยากจะไหลก็ไหลไปปล่อยมันมันไหลมากแล้วก็เช็ดผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดน้ําตาเสียจะนี้สมาธิจะไม่เคลือ่อนเพราะสมาธิทรงตัวมาก ในเมื่อปีติเกิดขึ้นสมาธิจะมีการทรงตัวสูงในเมื่อมีการทรงตัวดีมากขึ้นต่อไปจะใครกนพูดอะไรกมาชอบใจคบถึงที่ชอบใจและพอใจน้ำตาจะไหลอีกอย่างนี้เศร้าเป่าอาการของปีติจงอย่าฝืนจงอย่าห้ามต่อยไปตามสภาพสมาธิจะขึ้นสูงขึ้นตามลำดับ แล้วต่อไปมาสมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการน้ำตาไหลก็จะหายไปแล้วความอิ่ใจอย่างปรากฏอย่าลืมว่าขณะใดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทริกนกรรมฐานถึงถึงปีติอย่างนี้ผิวกายจะเปลี่ยนผิวกายจะดีขึ้นจึงมีความแช่มชิงขึ้นจะโน่นขึ้ น, น, นแล้วความอิ่มใจ แล้วต่อไปเอาปีติที่สามมีร่างกายโยกโคลงถ้าสมาธิมีกําลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังโยกข้างซ้ายโยกข้างขวายิง่งทรงตัวจิสมาธิทรงตัวมากเท่าไหร่มันก็โยกมากเท่านั้นอันนี้ก็แวดไกลเขาปีติจงอย่าบังคับจึงอย่าเลิกอย่าบังคับอย่าห้ามมัน ถ้าเราห้ามมันก็มายว่าเราห้ามการเคลนเคลื่อนไปของของสมาธิไม่ต้องการสมาธิสูงขึ้นร่างกายจะโยกสะเทือนตามจิตจะทรงตัวสบายมีความสุขมีความอิ่มใจสมาธิจะไม่เคลื่อนถงการฝึ ก, กร เ, เราถือเราฝึกจิตใจไม่ได้ฝึิกายกายจะโยกไปไรก็ช่างเรื่องของร่างกายไม่มีความจําเป็นต้องไปห้ามปราบ ดังนั้นเมื่อสมาธิตอนนี้ดีขึ้นกว่าเกา่าอาการโยกขร ง, งร่างกายก็จะหายไปหยุดแต่ความอินใจยังมีอยู่ตามเดิมไม่มีมากขึ้นและเมื่อความอินใจมีมากขึ้นสมาธิจะไวขึ้นการตั้งอารมณ์ของสมาธิจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเกา่าตอนนี้จะเป็นขึ้นขั้นอุเพยคาปีติจิติตัวที่สจะมีอาการเต้น มันก็ยอมเดืยดที่จะเต่นแลเพิคาปีติบางคนก็มีตัวลอยไปบนอากาศแต่ตัวลอยขึ้นไปอย่างนั้นไม่ใช่หมายถึงหอกเป็นการลอยด้วยกําลังของปีติถ้าจิตเครื่อนทีเดียวมันจะกลับมาที่เดิมเราไม่สามารถจะบังคับให้มันลอยได้แต่ว่าถ้าจิตถึงปีติตัวนั้นมันอะไรมันก็ลอยแต่การลอยอย่างนั้นจะบังคับไปไปที่ไหนไม่ได้มันก็จะไปตามสภาพของมัน พอสมาธิลดลงนิดเดียวก็กลับมาที่เดิมถ้าการย่านี้เกิดขึ้นทราบว่านี่แค่ปีติยังไม่ใช่หอกจะไปดีใจเราหอกได้อนี้เมื่อสมาธิอันนี้ปีติตัวที่เต็มอัตรามัน ก, ก็จะหยุดหยุดมีการทรงตัวตามดาบต่ความาอินใจยมากขึ้นต่อไปกราถึงพัฒนาปีติพัฒนาปีติได้แก่าการซาบซ่าน จะมีความชุ่มชื่นในใจจะมีความสุขมากมีความชุ่มชื่นมากต่อไปก็เบียรการเหมือนกับตัวสูงขึ้นกายใหญ่ขึ้นมีความรู้สึกตามนั้นนะถ้ามีการซ่าสู้ซ่าออกจากร่างกายมันก็ลมออกจากร่างกายน่าจะรู้สึกว่าใหญ่กว่าปกติตัวจะสูงกว่าปกติแต่ในที่สุดถึงที่สุดวิธีตัวนี้ต่อไปจะมีความรู้สึกว่าตัวมันหายไป ไม่มีร่างกายมีแต่นหน้าหน้ามีขามีแต่ตัวหายไปไม่รู้สึกว่ามีตัวอย่างนี้ก็อย่าตกใจปล่อยไปถ้าไม่ใช่อะไรในเรื่องเขาปีติที่ทีิฏมาที่สูงขึ้นอา <c oughs> การที่อาการเขาปีติที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะไม่เกิดกับคนทุกคนบางคนจะไม่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเลยบางคนก็จะมีสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่าง แต่ว่าท่านดิปราถนาพุทธภูมิจะมีหมดทั้งห้าอย่างเพราะพวกบัณฑาพุทธภูมิจะต้องเจ็บตกทุกอย่างต้องมีความเข้าใจทั้งหมดเพื่อเป็นครูเขาถ้ากําลังใจร้อนดาแต่พุธทธริษัชจะฆาก็ตามถึงปีติดต้องระวังให้มากต้องมีการพักผ่อนตามสมควรเราเคยนอนเวลาไหนต้องเคยทําเวลาไหนต้องเคยพักเวลาไหนต้องพักผ่อนตามเวลา เพาะเมื่อปีตีเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะไม่มีการอิ่มไม่มีกันเบือ่อจะมีความคุขสุ้มชื่นอยากจะทําไม่อย่างเลิกบางคนเผลอลอยให้ทําไปยันสว่างก็มีไม่มีเวลาพักผ่อนถ้าการไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างนี้ไม่ช้าก็ไปโลกสัมภศาสตร์ที่เขาบอกว่าเจริญสมาธิที่บ้านบ้านตรงนี้นะ บ, า บ, าบา้านพระฝืนขัดคําสั่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งว่ายทำแพ้ยแค่มัชชีมาปฏิปทาคือไม่ทรมานตัวเองด้วยไม่ย่อหย่อนตัวเองด้วยไม่ย่อหย่อนมากด้วยคือไม่ขี้เกียจเกินไปและก็ไม่ขยายเกินไปทำแพ้แค่สบายๆเคยทำเวลาไหนเคยเลือกเวลาไหนเลอกตามเวลานั้นพักผ่อนเวลาเท่าไรก็พักผ่อนตามเดิม อันนี้ถ้ า, าเราเก่งว่าสมาธิของเราจะเคลื่อนจากตัวก็ไม่เป็นไรเวลาที่เรานอนเราก็เริ่มทำสมาธิอีกเมื่อสมาธิเขาเกิดขึ้นถ้าจิตถึงฌานมันก็จะหลับทันทีขณะที่หลับอยู่ใช้เวลาหลับกี่ชั่วโมงก็ตามท่านถิดว่าจะทรงสมาธินั่นอยู่ตลอดเวลาที่กว่าจะติด อันนี้การที่เข้าถึงอุปจารสมาธินี่เป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้นนะปีตินี่ตอนนี้เป็นพื้นฐานรู้ที่พุทุญยานท่านนี้ฝึกวโนยิธิถ้ากําลังใจเขาบุกพลพวกใดนี้ฝึกวโนยิธิท่านกำลังใจตั้งอยู่ในปีติความเป็ทิศจะ ม, มีความแจ่มใสมากเพราะทิพยาณหยุดจุดนี้ไม่ท่อยู่ที่ฌานอยู่ที่ปีติกับสุข ความเป็นทิศจะเกิดขึ้นแต่ว่าท่านที่จะเป็นกรรมฐานเคยใช้กระสินถ้ากําลังใจมนิมิตกสินหรืออุปจารสมาธิตอนนี้สามารถฝึกขี้ปุยานได้ให้จับภาพกระสินให้สองตัวอธิฐานวา่าเราต้องการเห็นภาพใดก็าตามอยากต้องการเห็นสวรรค์ให้นึกไปใจว่าขอภาพสวรรค์จะหายไปข อ, อขอโทษขอภาพกระสินจะหายไปภาพสวรรค์จะปรากฏขึ้น อย่างนี้ภาคกสินจะหายไปภาคซอยต้งปราบกฎถ้าสละพุทธเจริญโมโนยุติแล้วไม่จำเป็นต้องไปทำกระสินเพราะเป็นกรสินอยู่แล้วโมโนยิติเป็นผลของกระสินกระสินในจิตรเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปทำหรือว่าไม่จําเป็นต้องโง่ก็มีหลายโง่เหมือนกันนะอยากจะทำกระสินต่อไปย้อนต้นเขาเรียกว่าถอยหลังเข้ากลอง ทนต่อไปในเมื่อปีติถึงอันดับที่สุดอารมณ์ก็จะเริ่มเป็นสุขอันนี้เป็นองค์จาราสมาธิขั้นสุดท้ายจิตจะเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่าสุขในที่นี้เราจะหาความสุขใดๆในโลกที่เคยปรากฏมาในกาลก่อนไม่มีกับเราอารมณ์มันเป็นสุขบอกไม่ถูกพัฒ น, นาไม่ได้เขียนไงก็เขียนไม่ถูกแล้วปีติกับสุขี่ทําให้เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ มันจะมีทั้งเวลาที่เรจเจริญกรรมาฐานด้วยเวลาที่เราเลิกจเจริญกรรมาฐานด้วยมันจะมีการทรงตัวอยู่จะมีความชุ่มชื่นจะมีความอิ่มใจจะมีถึงความเมันสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสังเกตได้ว่าท่านที่เมรมเข้าถึงตอนนี้จะมีการพูดน้อยลงจะเป็นคนพูดเฉพาะเหตุเฉพาะผลตาโบติเราจะพูดนอยลงจะพูดจะว่าพูด ขอน้อยๆก็แล้วกันนะไม่พูดมากเพราะอะไรเพราะจิตใจมันมีความชุ่มชื่นไม่อยากจะพูดเกรงว่าสมาธิและความสุขที่เกิดขึ้นและปีธีที่เกิดขึ้นความอินใจที่เกิดขึ้นมันจะสลายตัวอารมณ์คงคงอยู่แต่ยัไม่ฉันชานแต่วัในใดเมื่อปีติเข้าเข้าเต็มที่เข้าจึงสุขอย่างนี้เรียกเต็มวิจารสมาธิจะนั้นท่านที่เจริญกรรมาฐานใหได้มโนยิธิ ถ้ากำลังใจเขาบุกคนใดจิตเข้าเต็มกําลังเขาปีติรศุกเวลานั้นที่กุญญนจะแจ่มใสามากการเห็นสิเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมโลกก็าตามที่ปฏิภาณก็าตามที่บรรลุก็าตา ม, าาาตามจะเห็นอะไรก็าตามจะเห็นชัดเจนแจ่มใสามากความเปินทิศจุดนี้ไม่มีอยู่ที่ฌานสมาบัติ <c oughs> แล้อนนี้ก็หรือเวลาร์สิบนาที อนนี้เมื่อสอนที่ซอยสายลมหาตัวอย่างปีติไม่ได้เพราันป่วยคิดไม่ออก <c oughs> เอากลับมาถึงวัดเมื่อคืนวานนี้พระเถระบอกว่าตัวอย่างของปีติไม่อยู่คนที่จะเรียนกรรมฐานทีขั้นปีติยังไม่ได้ชาสมาบัติตายแล้วจะไปไหนถ้าเร้ยกตัวอย่างมัตกุกลีเทพบุตรคือมัตกุกฏิเทพบุต ร, ต ร, รเป็นลูกของพระราม าพาดวยก็แปรจารสอนความอีกทีหนึ่งเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์มากเขาไม่ยอมเคารพพระพุทธเจ้าถ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าเสด็จไเมืองนั้นก็เดินมินาบัดผ่านบ่ายเขามือก็ไม่เคยยกไหวบใบก็ไม่เคยใส่เท่ก็ไม่เคยฟังเพราะเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความจริงไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้ในเมื่อครามพระเป็นณาจายเป็นพ่อไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องมาคับคนในบ้านทั้งหมดลูกน้องทั้งหมดไม่เคารพแต่พระเจ้าก็าเป็นของธรรมดาพระเจ้าเกิดขึ้นใหม่ต่อมาเขามีลูกชายคนเดียวคือมัตรกรณดีเทพประภุตในเมื่อลูกชายคนเดียวครัง้งเขาป่วยความจริงเขาเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่า เขาจะชื้อชื้อยารักษาโรคก็เกรงว่าเงินจะหมดจะสิ้นเปลืองอย่าหาหมอเกรงเสียเงินมากเชื่อ จ, จึงไปถามหมอก็ถัดหมอก็บอกอยากลางบ้านมาให้เขาปลูกลูกชายเป็นลูกหอมเหลืองรักษาเท่าไหร่ลูกชายก็ไปดีขึ้นน่าดีสุดแม่ลูกชายป่วยหนักอาการใกล้จะตายเ้าก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้ลูกชายเราใกล้จะตายป่วยหัก บรรดาญาติหลายอาจจะมาเยี่ยมแต่รู้ลูกชายเราจ ะ, จะตายปวนมากถ้าลูกชายเรานอนอยู่ในห้องที่มีสมบัติมากสวยสง่างามแบบนี้คนนั่นก็อยากขอให้หนั่นคนนี้ก็อยากขอไอ้นี่ถ้าเราไม่ให้ก็ต้องเกรงใจอาจจะต้องให้สิมเพลิงของปเปล่ายิ่งไม่ต้องการให้ญาติมาขออะไรทั้งหมดยิงให้คนยกตุกชายไปนอนที่ชานเรือนที่เพลยข้างนอก <c oughs> ตามมาม่ตะกุนลีลูกชายก็มีความรู้สึกว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์บัติขั้นมหาเศรษฐีก็ดีไม่สามารถจะช่วยเราพ้นจากทุกเวทนาได้เขาลือกันว่าองค์สมเด็จพระจอมใจคือพระพุทธเจ้าที่มีนามพระสวนราโคดมมีพระเมตตาสูงส่งเท่าไม่ก่าใคร เขาก็นึกในใจว่าขอพระสมณะโคดมมารัากษาโรคเขาให้หายวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากาลังใจของพระมัทกุณลีคิดอย่างนั้นด้วยเกิดศรัทธาแม้ว่าศรัทธาของพระมัทกุลฑรีจะไม่ถึงขั้นอยากจะไหวตัวตามจะเป็นศรัทธานึกขอกองค์ไปช่วยองค์ก็ต่างใจช่วยในตอนชา้โรองเดินบินตรบาทเวลาท่้นมัตธกุลฑรีนอนหันหน้าเข้าขวา ต้องเดินไปพระอ น, นุนว่าถึงหน้าใบเปล่งแสงสว่างให้ปรายกดทาศนะีอภรรยาไดะเปล่งแสงให้ปลายกดเฉพาะหน้าของมัตตกรีมัตตกรีเห็นแสงก็ตกใจเรื่าแสงอะไรเกิดขึ้นเอหันหน้าหันหลังไปดูใหม่ก็าเห็นพระเจ้าพระอ น, นุนเวลานั้นมือจะยกมือไหวก็ไม่ได้แล้วพระป่ยมาก ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าบอกขอร้องช่วยพระเจ้าหาจากโรคไั่ไข้เจ็บถ้าการที่นึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้หายจาโ่โรคไั่ไข้เจ็บเท่านี้เองไม่ไม่ช้าเธอก็ตายเมื่อเธอตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นจิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเรือกับเทบโลกมีวิบานทองคําไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารื ตามาเธอคิดว่าสมบัติทั้งหลายเรื่อนี้ได้มาเพราะอะไรก็ทราบว่าเราเป็นลูกชายของพระามเพื่อเป็นมหาเศรษฐีกีนเหนียวมไม่ไม่เคยให้อะไรเลยพระเรดชะในการก่อนแม่ขอทเดียวก็ไม่เคยให้ในเมื่อเราเป็นลูกชายป่วยก็ไม่รักษาเวลานี้พ่อของเราไปายปืนใกล้ปางหลมศพไปยืนพันนาให้เราไปกลับมาเกิดใหม่เราต้องไปกลับลงไปทรมานคุพ่อของเรา จึงไแปลงกายใล้าเจ้าภาพเดิมเหมือนกับภาพเดิมอาตนไปกดพระตนนอนให้ใายเนี่ยตัวสองใครกเจภาพเดิมมายืนก็ยืนใกล้ตาพ่อก็ยืนร้องไห้บ้างตาพ่อแปลกใจที่ว่าเราร้องไห้คิดถึงลูกของเราแต่ว่าเจ้าหน่มคนนี้ร้องไห้คิดถึงใครแล้วเก็ได้ถามว่า พอบริษัทตัวก่อมรดพเจริญฉันยืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายฉันที่ตายไปแล้วเธอยังเป็นหน่มอยู่ร้องไห้เพ่ออะไรลูกชายที่แปลงตัวมาบอกว่าผมมีรถทองค์ยืนหนึ่งคันสวยมากแต่ยังขาดลอ้ออยากจะได้ลอ้ลอรถแต่หาไม่ได้เสียใจจนรอ้องไห้ทางก็คิดว่าคุณเด็กชายคนนี้สนมคนนี้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายลูกของเรา ถ้าได้ไว่าเป็นลูกของเราแทนลูกชายก็จะดีมากทีง <c oughs> ได้บอกว่าลูกเขเธอได้ทองคํำมีความสวยสน่งามมากยังขาดล้อต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคําำหรือว่าล้อแก้วมณี <c oughs> ถ้าต้องการอสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าต้องสองอย่างก็ตามลุงจะให้ทุกอย่างตามใจชอบไม่ได้กุฏิลีเราคิดว่าเมื่อเราไปชีวิตอยู่ แม่พ่ออยังเสียค่ายายังมายามเสียขี้เหนียวในลา น, นี้เราตายไปแล้วคิดถึงเราแล้วร่างกายมาใกล้ตัวเดิมเข้าใจว่าเป็นคนอืน่นจะให้รออแก้วมณีหรือว่าลออแก้วล้ อ, ล อ, ลอทองคำซึ่งราคาแพงมากทีนี้แก้งบอกว่ารออแก้วมณีก็ตามล้อแก้กวท อ, องคำก็าตามไม่สวยพอกักบไปขอศักดิ์ศรีก็รตรงผมเขาไม่อยากได้ดวงจใจรโดมทิศมาเป็นล้อของข้าง ตดวงจันทร์เป็นเป็นล้อข้างหนึ่ ง, ง, งดวงที่เป็นล้อข้างหนึ่งแต่พราม์พอฟังก็โกรธก็หาว่าเจ้าหนุ่มบ้าขยะสามารถดวงจันวอาทิตย์มาเป็นล้อดลถได้เจ้าลุงก็ถามว่าคุณลงุงท่อยากจะทราบว่าบุคคลที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นกับบุคคลที่ต้องการสิ่งไม่สามารถจะมองเห็นคนสองคนนี้คนไหนจะเป็นคน ไ, ไร้ประโยชน์มากกว่ากัน คุณลุงพามันเลยบอกว่าคนนี้ต้องการสิ่งที่ไร้ไม่ไม่สามารถมองเห็นได้คนนั้นเป็นงานได้ประโยชน์มากกว่าเขาเลยบอกเราได้เมื่อผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งผมสามารถเห็นได้ด้วยรูปตากับคุณลุงต้องการลูกชายที่ตายไปแล้วซึ่งไม่สามารถอยู่ที่ไหนผมก็ลุงสองคนนี่ใครจบ้ามากกว่ากันในที่สุดลุงก็ยอม <c oughs> ตาบาเธอเขบอกว่าเธอคือลูกชายเธอมัตตโกดลี เวลานี้ตายได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเรืองสติวโลกมีวิมานทองคําไปที่อยู่มีนางฟ้าเหนึ่งพันเป็นบริวารข้ามก็ถามว่าเจ้าทําอะไรจึงไปเกิดที่นั่นเจ้าก็บอกว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะพ่อแม่ไม่รักเสียดเงินชืสอใดทองไม่มีพ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้ทรัพย์สินไม่เป็นที่พึ่งได้จึงนึกถึงพระรัตนตรัรตยมีพระเจา้าเป็นประธานคอยบอสษาโรค เพียงเท่านี้ตายจากความเป็นคนก็เกิดบนสิ่งเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันแต่ไปถเทโลกหลังจากนั้นเธอจะแนะนำพ่อพระนับตระบตัตดนี้เป็นต้ให้พ่อกับแม่และคนทุกคนในบ้านพพเคารพพราะก็จะเจ้าจงมีน่าว่าเขาเขาจะพระสัมมาสัมุทจ้ใส่บาทจองยกมือไหว้จงฟังเทศจะมีความสุขมากหลังจากนั้นเธอไปเป็นเทวดาหอกข้าไปเห็น เมื่อฟังฟังแล้วก็กลับมาบ้านคิดว่าลูกชายเรานึกแค่นึกถึงพระสมณะโคดมตายแล้วไปสวรรค์ได้ท่านแนะนําให้เราทําบุญให้รู้จักยกมือไหว้รู้จักฟังเทศรู้จักทศนิยบัรพอถึงบ้าก็สั่งแม่ว่าว่าว่าว่าว่าที่ธรรมะห่อนี้มากทําขนมให้มาก่างกับข้าวให้มากหุงข้ายมากเพราะว่าจะเลี้ยงพระสมณะโคดมเราบริสัทจะรูกศิษย์ หลังจากนั้นเธอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วิหารเวลาดันชาวบ้านมัเกิดเป็นสองพวกโผลพรามที่ไม่นับถือพระศาสนาะก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องการดูรรพราหม์ย่ํายีพระพระสมณะโคดมอีกพวกหนึง่งคิดว่าวันนี้เราต้องการจะดูพระสมณะโคดมทรมานพรามณ์เวลาดันน้อยขาเล่า ล, ะละัดๆก็ไปถึงแล้วเธอถามว่าพระสมณะโคดมเพราะไ ม, ะอ ม, มอะ่อยากจะทราบว่าอยากจะถามว่า คนที่ไม่เคยใส่บาทไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยฟังเทศจากท่านเอาแค่นึกถึงท่านอย่างเดียวตายแล้วเกิดบนสวรรค์มีไหมพระเจ้าก็ะสงจัดว่าพระมณฑลกวนรามคนไม่ได้เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศ <c oughs> นึงถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกดอย่างเมื่อตอนเชา้าท่านในพระรูตชายของท่านก็เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นพระเจ้าก็สองเรี่กงมัตตโกณฑลีมาให้พ ร, พระมากับวิมานใหมาเพ้ากับวิมานมัตตุนก็มัตตโกณฑลีก็มาพราก็หมายคนทุกแขงคนเห็นหมดเมื่อวิมานลงต่ำเจอก็ลงจากวิมานข้าไปกราบพระเจ้าพระเจ้าก็สองเทศพอเทศจบถึง็บุรพโสโดาวปฏิผลเท้เาได้พอถ้าคนหลายคนในที่นั่งบรรพบุรุดาวปฏิผลเช่นเดียวกันนี่แหละบรรดาทั้พุทธวิสัชน์ทั้น การยังในกรรมฐ า, านถึงแม้ว่าเราจะได้ไข่ขั้นปีติขั้นปีติจะเรียกว่าจบที่กุญญาณอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ที่ฌานสมาบัติจะนั่นคนที่ได้ฌานสมาบัติแล้วแต่เาต้องการจะรู้จะเห็นอะไรจะเห็นผีเที่ยวใดในโลกสวรรค์ก็ต้องถอยหลังกําลังจิต ล, ล, ลดลงมาถึงอุปจารสมาธิจริงจะมองเห็นถ้าต่อที่ไปของบรรดาเต็มพุทโธฉัตรหลายตั้งใจสมาทานสิงห์สมาทานกรรมฐ า, าน